พุทธะักรรมเอกมวนที่11บเอ็ดโดยพระจันทร์มนูสุมโนจเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าบทเรียนประถมโพธิกถาต่อในวันนี้ก็ถึงบริเขตที่ยี่สิบเอ็ ในพระริเฉทที่21นี้ว่าด้วยพุทธปิตุนิพพานปริวัตรว่าถึงตอนการนิพพานของพระบิดาแห่งพระพุทธองค์ก็คือตอนที่พระเจ้าสลิสุโธทนมหาราชพระราชบิดาของพระพุทธองค์นั้นทรงชราภาพและไปชวนหนักพระพุทธองค์นั้นได้เสด็จไปโปรด ให้ให้จนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลแล้หลังจากนั้นก็สเสด็จดับขันธปรินิพานนาทีพระาราชวังกรุงกบิลพัตร์นั่นเองขั้นการต่อมาใกล้การเข้าวัชการคือการใกล้เข้าวันพระวันภาเป็นขาลบที่ห้า ก็คือในภรรษาที่ห้าขององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นใกล้ที่จะเข้ามาแล้วองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงเลสเด็จจากกรุงราชคลืพอพร้อมด้วยพิสุสงประมาณห้าร้อยลูกไปยังเมืองเวสาลีแล้วก็ประทับอยู่ที่โกตาคารสาลาป่ามหาวันเพื่ออนุเคราะห์เวนัยศัร์ และก็สะเสด็จจำพรรศาณที่นั้นในปีนั้นเองพระเจ้าสุโธธนะมหาราชพุทธบิดาทรงพระไปะชวนนเะสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าก็ทรงระลึกถึงพระองคอ์โดยที่ทรงพระปริวิตกว่า ที่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ทรงปรามาศรีรษะของอาตมาพระนันทะรูป ก, กายข้างซ้ายพระอนนท์รูปกายเบื้องขวาและพระลาหุนรูป ก, กายเบื้องหลังของอาตมาแล้วทุกเวทนาและโลคาพาตต่างๆก็จักบรรเทาโดยแม่แท้ ในยามใกล้ล่วงแห่งราตรีวนันนั้นนัเองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เข้าสู่พระมหากรุณาสมาบัติออกจากพระออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็ทรงพิจารณาถึงเวไนยสัตว์ทอดพระเนตรในพระญา น, นั้นก็เห็นพระพุทธบิดานั้นกำลังประชวนนะ่ะทรงพุทธดำพุทธดำลิว่าพระบิดาแห่งตถาคต มีพระโลคาภาสอย่างแกลงกล้าปรารถนาที่จะเห็นสถาคตในวันนี้ก <c oughs> าร น, นี้ควรที่สถาคตจะไปเยี่ยมสเสด็จลุกขึ้นจากอาดตรัสชวนพระอนนต์และก็ให้บอกกล่าวแก่พิสุทั้งหลายบรรดาที่เป็นพระขีนาสก เมื่อพระขีนาสบทั้งหลายมีอัครสาวกเป็นต้นมาประชุมพร้อมกันแล้วก็จึงมีพุทธดำหลัดว่าเธอทั้งหลายจงไปทัศนาพุทธบิดากับตถาคตอันว่าการทัศนาครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนาครั้งสุดท้ายพระเด้วยพระภิกษุสงฆ์ห้าประมาณห้าร้อยองค์นั้นก็ได้ไปสว่กลมกบิลพัทโดยทางอากาศ ท่านถึงแล้วก็จึงลงที่พระราชมทียนประทับเหนือพระยี่ผู้ทอดพระเนตรเลงดูพระพุทธบิดาแล้วก็ตรัสถามว่าทุกขเวทนาพอที่จะอดทนหรือพ้นพระกำลังเป็นประการใดพระบรมโพธิสัตรทรงสดับก็สะท้อนพระไทยพระชลนัยหลังไหลกราบทูลว่า ทุกขเวทนาของข้าพระพุทธเจ้านี้เหลือกำลังที่จะอดทนพ้นที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้จึงตรัสว่ามหาบ่อพิษพระองค์จะได้ทรงพระปริวิตกไปเลยแล้วก็ทรงเหยียบพระหัตถ์เบื้องขวากระทำสัติยาธิฐานและก็ทรงรูปทรงรูปที่พระเสียรของพระบรมโุนโธติ์ของพระบรมกษัตริย์ ขณะนั้นเองท่านพระอนนท์พุทธนุชาก็ลูบพระกรเบื้องขวาพระนันทะเทระก็ลูบพระพาหาเบื้องซ้ายพระลาุหนพุทธจีโนรถก็ลูบพระพิสดางอันวัดทุกเวทนาอแลงก้าก็เหือดหายระงับไปพระเจ้าสุทโทธทนะก็เสด็จลุก ข, ขึ้นจากประแท่นบันทม แลถวายบังคมพระบรมศัสดาพระพุทธอง์ทรงพิจรณาพระชนมายุสังขารของพระพุทธบิดาแล้วว่ามีประมาณน้อยนะจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นจากวันนี้ไปและก็ทรงทราบอุปนิสัยแห่งอรหัตผลจึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยอนิจจธิปฏิสังยุตและอริย ส, สี่ประการยังพุทธบิดาพระพุทธบิดานั้นให้บรรลุอะระไปะอาพระอระหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ประการในวันเขาลบเจ็ดนั่นเองในการนั้นพระบรมมกษัตริย์จึงกราบทูลว่าข้าแต่ในวันที่เจ็ดนั่นเอง พระบรมสัตว์อันพระบรมมกษัตริย์ก็จึงได้กล่าวทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสด า, าจารย์ข้าพระองค์นี้พ้นแล้วจากบ่วงแห่งสงสารเห็นนิพพานสัตว์โดยประจักษ์จิตอันหนึ่งชีวิตของข้าพระองค์นี้ยังอยู่ยังเหลืออยู่น้อยนักดังนั้นข้าพระองค์ก็จึงจักขอทูลลานิพพานอันหนึ่งนั้น กรรมอันใดที่ข้าพระองค์ประมาทด้วยกายก็ดีด้วยวจีและด้วยจิตก็ดีในพระสุคตขอจงทรงพระกรุณาอดโทษสาอนุโทษทั้งพวงทั้งปวงแก่ข้าพระบาทขอจงทรงอนุญาตแก่ข้าพระพุทธเจ้าอันจะทูลลาสู่พระนิพพานณนะการบัดนี้เมื่อพระบรมมกษัตริย์ทรงจัด ปราบทูลลาพระพุทธองค์เช่นนั้นแล้วก็ทรงเอ็นองค์ลงเหนือพระยี่ผู้นั้นก็เสด็จเข้าสู่ปนิมภานในขณะนั้นเองพระนางประชาบดีและระยโสธลาพร้อมกับดมหมู่สนมนางกำนันในทั้งเหล่าสากะยาวงก็ทรงโศกาอาดุพิไลลำพันยิ่งนะัก พระพุทธองค์ก็จึงได้ทรงระงรับเสียด้วยอนิจจตาปฏิสังยุคก็คือทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับด้วยอนิจจังคือความไม่เที่ยงและจึงมีพระพุทธดลดำหลักตรัสสั่งให้ท่านพระมหากสปะเถระไปดูสถานที่ที่จะทำชาปนกิจเมื่อพระมหาเถระ กระทำเสร็จแล้วกลับมากราบทูลพระองค์ก็จึงได้ยกพระองค์ก็จึงได้ยกพระเศียรของพระพุทธบิดานั้นทรงสงพระบรมศพด้วยสุคนทวาลีทรงลูบพระเศียรและตรัสแด่พระธรรมเสนาบดีว่าดูก่อนสาลิบุตร บุคคลใดประพฤติกุศลธรรมสุจริตและก็มีจิตรปรารถนาโพธิภูมิบรมียานใดๆผู้นั้นจงอุตสาห์อภิบาลบำรุงเลี้ยงบิดามารดาจะสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการแล้วพระองค์ก็ทรงยกพระสบใส่ขีดแก้วอัญเชิญไปสู่ชาปนสถาน ในวันนั้นเองพระะประโยชนิของพระพุทธองค์ทั้งหกพระนครคือกรุงกบิลพั์กรุงเทวทหะนครโกริยะนครสกกะนครสุปวาสและนครเวระได้ชวนกันทรงกระธรร ม, มหายันก็คือการถวายทานอุทิศส่วนกุศล ถาวายพระเจ้าสิริสุทธโทธนามหาราชก็ได้ไปประชุมกันที่เมืองก บ, บิลพัทถาวายพระตาหารแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธองค์ทรงสเสวยพักพระตาหารเสร็จแล้วก็ตรัสอนุโมทนาทรงแสดงทำโปรดในที่พระประชุมไปยุลายาดว่าบุคคลที่เป็นบัณฑิต มีจิตประกอบด้วยกระตันอยู่ย่อมไะทำบุญอุทิศผลไปให้แก่ญาติมิตรและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วการกระทำดังนั้นจะอำนวยประโยชน์และความสุขแก่ท่านที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระประยุร ญ, ญาติและประชาชนทั้งหลายก็มีความเบิกบานและงับโศก พระพุทธองค์ก็ทรงกระทาการสงเคราะห์พระปริยุรญญิาิดังนี้แล้วก็ได้ไปยังไปสู่ยังชาสนประถา น, นก็จึงได้ยกพระบรมศพขึ้นสู่ขึ้นสู่ชนตรกรแล้วก็จุดพระเพลิงถวายทมชาปน ก, กิจพระบรมโพธิสัตว์ ร้อมทั้งเชิงต่กอนแล้วก็เสด็จกลับที่ประทับนิคโครธาลามในลำดับนั้นพระนางพระนางประชามหาประชาบดีก็ได้เสด็จไปสู่สำนักถาวายนามัสการแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พุทบรมศาสดาสตรีนี้จะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่เป็นประการใด พระองค์จึงมีพุทธดีกา ว, ว่าเธออย่าได้ชอบใจในการบรรพชาเลยมาตุคามนั่นจะบวชไม่สมควรถึงแม้ว่าพระนางนั้นจะกราบทูลถึงสามครั้งสามครกาก็ตามก็ทรงตัดห้ามมิทรงอนุญาตให้พระน่านางคือพระนางประชาบดีนั้นก็ทรงโสมนัสเป็นอันมากถวายอภิวาทและสเสด็จกลับ องสุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงประทับอยู่ณนะกรงก บ, บิลพั์โดยสงควรแก่พุทธอัธยาศัยก็เสด็จกลับมาสู่เมืองเวสาลีส่วนพระนางใบะแอพระนางโคตมีหรือประชาบดีเจแม่นานนั้นก็มีกำมูลสันดานยินดีในการบรรประชาเป็นยิ่งนะัก ก็จิงเรตปรงพระเกษานุ่งห่มผ้าสกาสาวพักพร้อมกับเรือนางกษัตริย์ศาคยวงเป็นจํานวนมากประมาณห้าร้อยเสด็จรถจรตามพระโลกนาถถึงเมืองเวสาลีคือเมื่อทรงทราบว่าพระองค์นั้นสเสด็จประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีนั้นพระนางพร้อมด้วยสาคิยาสาคิยาขติยา น, นีทั้งหลายก็ได ตามเสด็จมาจนถึงที่โกตาคาราสาลาป่ามหาวันการเสด็จครั้งนี้ก็ปรากฏว่าพระบาทบอกช้ำพราะวรกายก็หมองคล้ำไปด้วยทุลีมือพระชลนายนี่นองเนตไปหมดเพระเหตุที่พระนางนั้นเคยอยู่แต่ในปราสาพระราชวังแต่ครั้งนี้ทรงเสด็จติดตามจากกรมกบิลพัฒน์ จงถึงเวสาลีนด้วยพระบาทเมื่อมาถึงที่กูตานาคาลาสาลาแล้วก็จึงได้เสด็จประทับโยนอยู่ที่ซุ้มประตูในขณะนั้นเองท่านพระอานนท์เห็นเข้าก็จึงออกไปไต่ถามทราบความและจึงเดินมากราบทูลอ่อนวอนอทูลอ่อนวอนพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็ทรงตัห้าม ห้ามที่ไม่ให้ผู้หญิงอ่ามาให้สตรีหรือมาตุคามนี่จะออกบทท่านพระอนุนก็จึงกราบทูลถามขึ้นว่าถ้าสตรีได้บรรพชาอุปสมบทแล้วนะ่ะจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานบ้างเป็นพระอริยะบุคคลหรือไม่เป็นประการใดพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสว่ามีโอกาสที่จะบรรลุได้อนนน ดังนั้นพระอานมก็จึงได้กราบทูลว่าเมื่อเป็นดังนั้นก็ควรจะอนุญาตอนุเคราะห์พระนางมหาประชาบดีผู้เป็นพระมาตุฉาซึ่งพระนางนั้น่ะทรงมีอุปการะคุณแก่พระองค์อย่างมากในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนะยังทรงเป็นทากลกอยู่ควรที่จะประทานอุปสมบทแก่พระนางเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผล พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตโดยตัดว่าถ้าพระนางประชาบดีโคตมีนี้ยินดีที่จะประพฤติคาุธรรมแปดประการก็จะให้บวชเป็นนางพิสุติูษุนีได้คปรุธรรมแปดประการนั้นมีข้อหนึ่งว่าภูษุณีนั้นแม้จะบวชมาแล้วสิ้นร้อยปีหรือบวชมาแล้วจะมีพรรษาอยู่การถึงร0อยปี ก็จะต้องอนำ้ำมัสการคือยกมือไหว้พระพิสุท์แม้ที่จะแม้ถึงบทในวันนั้นเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นพระอน์นั้นเมื่อได้ดจดจำถึงขลุธรรมแปดประการแล้วก็จึงเด้นนำขลุธรรมแปดประการนี้ไปแจ้งการแก่พระนางมหาประชาบดี ว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าหากว่านามพร้อมด้วยสากิยานีทั้งหลายนั้นยินดีที่จะรับธรุธรรมแปดประการนี้พระองค์ก็จะทรงอนุญาตให้อุปสมบทได้พนางประชาบดีนั้นก็ยินดีที่จะรับปฏิบัติด้วยความปีติเต็มใจเป็นอย่างยิ่งพระนอานนท์ก็จึงได้นำความนั้น กลับไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จึงได้ประทานอุปสมบทแก่พระนางประชาวดีพร้อมเสะยสากยราชนาลีทั้งห้าให้เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาก็นับโดยว่าภิกษุณีไม่เกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นครั้งแรกในภาษายุการที่ห้าขององค์สุเดวพสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพูดง่ายๆก็คือว่า เมื่อองค์เสดสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตัดสันลูแล้วเป็นเวลาถึงห้าพรรษาคือในพรรษาที่ห้านเองพิสุนีก็ได้เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกและพิสุนีที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นก็ได้แกพ่พระนางประชาบดีหรือเราเรีย ก, กว่าในนามพระโคตมีอีกพานามหนึ่งพร้อมด้วยลาชคตยะนารีของชาวสกตก น, นเอง ห้าร้อยคนด้วยกันได้เป็นพิษุณีเป็นครั้งแรกขึ้นในโลกและพิษุณีที่บวชครั้งแรกในโลกนี้หรือมีพิษุณีเกิดขึ้นในครั้งแรกในโลกนี้ก็คือที่ปูตาคาราสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลินนเองอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนักศึกษาทั้งหลายทุงจจำไว้ว่าพิสุสโงเกิดขึ้นในครั้งแรกเมื่อไหร่ณที่ไหน ส่วนพิสมีสงนั้นเกิดขึ้นในครั้งแรกเมื่อไร่และที่ไหนและใครเป็นคนแรกพระสงฆ์ใครเป็นคนแรกและอุปัิสุณีใครเป็นคนแรกสมัมเนธคนแรกในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเกิดที่ไหนเมื่อไร่ใครเป็นคนแรกใครเป็นผู้แรกเมืม่อออกพรรษาอยู่การแล้วพระพุทธองค์ ล้อมด้วยพิสุส่งก็จริงได้จากเมืองเวสาลีไปไปประทับณนะพระเชตวันมหาวิหารที่เมืองที่หลงพาราณส์ที่เมืองสาวัตถีนั้นส่วนพระนางประชาบดีก็โคตมีนั้นเมื่อได้อุปสมบทเป็นพิสุณีแล้วพระนางก็ได้เรียนพระกรรมฐานจนกระทั่ง ได้สำเร็จมรรคผล น, ผนิพพานเป็นพระรหัสอมอรรคผลนิพพานาาสำเร็จบรรลุอรหัตผลเป ER ah ็นพริยบุคคลในพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเมื่อองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารณเมืองเวสอาสาวัถีนั้นพระนางเจ้า เมื่อพระนางเจ้ามหาปร ะ, ประชาบดีพร้อมด้วยศักยราชนาลีจำนวนามากหรือจำนวนห้าร้อยองค์นั้นเสด็จอบบนพระชาแล้วอกอุปสมบทเป็นพิสุณนีแล้วพวกมหาหมาราชปุโรหิตทั้งหลายก็จึงไร้กปริศาตกลงกันว่าพระนครใดก็ตามถ้าหากขาดพระมหากษัตริย์พระนครนั้นก็ไม่สามารถที่จะยั่งยืนอยู่ไปได้ก็ จึงได้ปรึกษากันแล้วก็ตกลงทูลเชิญพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะนามพระองค์นี้ก็ซึ่งเป็นพระราชโอรสเป็นพระโอรสของพระองค์โตของพระเจ้าอมิโตทนะซึ่งเป็นพระเจ้าอาขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าอมิโตทะนี้เป็นน้องชายอคือเป็นอนุชาของพระเจ้าสุโธทะนะนั่นเอง ให้ขึ้นคลองลาชสืบสันตติวงศ์สืบต่อไปเวลานั้นเองพนางพิมพาหรือพนางยโสธร า, าผู้เป็นบิ ด, ดาของพระลาหุนอมารดาพระลาหขุนนั้นก็มีเกิดความสังเวชสลดใจว่าสมบัติโลกิยะสมบัติ ในโลกนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความจริงราชสมบัตินี้เป็นสมบัติที่จะตกต้องแก่พระสวามีของตนเองแต่ทั้งๆที่พระนางยังทรงชีวิตอยู่นี้ราชสมบัตินี้ก็เดบเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในอำนาจหรือว่าไปตกต้องในอำนาจของบุคคลอื่นก็จึงได้เกิดความสังเวชสลดใจถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้ ก็จึงไ่มี้พระไทยนั้นยินดีในการที่จะบรรพชาเพื่อที่จะเป็นการบรประชานั้นสเสด็จตามพุทธบาทหรือว่ารอยบรบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระนางพิมพาหรือยะโสธลานี้ก็จึงได้พร้อมด้วยสกักเอสกยะราชนาลีนั้นประมาณถึงสองร้อยห้าสิบท่านเดียวกัน แล้วก็นางอื่นๆที่เป็นบริวารซึ่งมีจิตใจในการที่จะบรรพชาอุปสมบทด้วยอีกประมาณ250รวมแล้วเป็น500คนก็จึงได้กราบทูลาพระเจ้ามหานามะผู้เป็นกษัตริย์แห่งกลุมกบิลพั์กราบทูลาในการที่จะออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพิสุณีต่อไป เมื่อพระเจ้ามหานามะทรงอนุญาตแล้วก็เสด็จจากกรุงกบิลพัทนั้นสเสด็จไปจนกระทั่งถึงพระเชตวันมหาวิหารแห่งกรุงสาวาีเมื่อไปถึงสถานที่พระเชตวันแล้วก็จึงได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์เพื่อที่จะทูลขอบวชเป็นพิสุนีต่อไป องทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ประทานอุปสมบทให้เป็นพิสุณีทั้งสิ้นโดยการที่ให้ประพฤติปฏิบัติตามคุรุธรรมแปดประการพระนาพิมพาพร้อมด้วยราชนาลีและสตรีทั้งหลายประมาณห้าร้อยหนึ่งก็ได้เป็นอุปเป็นพิสุณี ได้อุปสมบทเป็นพิสุนีก็จินนับได้ว่าเป็นพระพิสุนีนั้นชุดที่สองรองจากพระนางเจ้ามหาประชาบดีกับสากยราชนาลีทั้งหลายพระนางพิมพานั้นเมื่อได้อุปสมบทเป็นพิสุนีแล้วก็ได้ทรงอุตสาหะวิริยะในการเจริญพระธรรมฐานจนมิชามินานั้นนักก็ได้บรบลุอรหัตผล เป็นภริยาบุคคลในพระพุทธศาสนาก่อ น, นับได้ว่าในตระกูลแห่งสากยะนี้ออกบรรพชาอุสมบทในสายของพระเจ้าสุโธธนะนี้เกือบจะทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงได้สมกับที่ พ น, นาพ น, นางกีสาโกตมีนั้นได้กล่าวชมเชยพระพุทธองค์ในครั้งที่ยังเป็นในในวันที่จะออกอุปสมบทคือในครั้งที่ยังเป็นเจ้าชายทิศากุมารอยู่ซึ่งนางกีสาโกตมีนี้ก็ได้ชมได้กล่าวชมพระพุทธองค์ว่าบษนี้เป็นบทของหญิงใดมารดาของเขาน้นกนิพน ลูกของชายใดเป็นบุตรของชายใดชายนั้นก็หนีผานเป็นสามีของหญิงใดหญิงนั้นก็นิผ่านเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม่พระเจ้าพุทธพระเจ้าสุโทโธธนะพุทธบิดานั้นก็ได้สำเร็จมรรคผลแล้วก็ทรงเปรียญผ่านไปแล้วส่วนพระนางพิมพานั้น ซึ่งในอดีตการนั้นเป็นพระมเหสีใดบวชอุปสมบทเป็นพิมุมีก็ได้บรรลุนิพพานเช่นเดียวกันได้บรรลุสอุปาทิเสสนิพานแม่ลาวหุนผู้เป็นพุทธอภโยรรถก็ได้สำเร็จอ ร, รหัตผลแล้วก็เดชกิพานแลวก็เดชนิพพานเหมือนกันพระนางเจ้ามหาประชาบดีซึ่งเป็นพระแม่นา ก็ได้เป็นพิสุณีก็ได้บรรลุษสอุปาทิเสสนิพานเหมือนกันจึงนับได้ว่าการที่พระนางกีสาโคตมีได้ออกพระโอชชมเช่นนั้นจึงไม่ไล่ความจึงไม่ไม่ไล่เสียซึ่งผลซึ่งความจริงนับว่าเป็นความจริงทุกประการเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อน ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านเดียวกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถึงปริเฉทที่ยี่สิบสองอันว่า ด, ด้วยยะมกปาฏิหารปาฏิหาริยะปริวัติ ในปริเตนี้ว่าถึงตอนการกระทายมกปับปฏิหารก็คือตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสแสดงปฏิหารปราบพวกเดรัจฉที่ต้นมะม่วงที่ชื่อว่าคันธามคันถามคันธามพระใกล้เมืองสาวัตถีณนวันอาสาลหะบุรมีคือวันเพ็ญเดือนแปะ การกระทำปาฏิหาริย์ครั้งนี้ที่เรียกว่ายาม ก, กปาฏิหารินั้นก็เพราะพระองค์ทรงสแสดงให้ท่อน้ําและท่อไฟปรากฏออกมาจากพระรกายของพระองค์นั้นเป็นคู่คู่กันยมกยมกนี่แปลว่าคู่เช่นท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนและก็ท่อน้ําพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างเป็นต้น รัศมีแห่งพระจัพพานันลังสีหกประการนั้นก็พุ่งออกสลับกันเป็นคู่คู่เช่นสีเขียวกับสีเหลืองเป็นต้นทั้งอิริยาบดของพระพุทธองค์กับพระพุทธเนลมิตรก็สลับกันเป็นคู่คู่เช่นพระพุทธองค์เสด็จเดินจงกรมพระพุทธนลมิตก็ประทับนั่งหรือบรรทมเป็นต้นสมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันมหาวิหารในกรุงราชคลึนั้นเองก็มีเศรษฐีผู้หนึ่งใครจะลงเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาก็จึงได้ให้พวกบริวารของตอนเองนั้นไปขึงขายเป็นลวดล้อมทั้งต้นน้ำและก็ ท้ายน้ำในที่ท่าที่ตัวเองจะ อ, อ, อาจจะอาบที่กระทำเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายจากตัดน้ําำที่จะป้องกันอันตรายสัตดน้ําที่จะมาทําอันตรายได้ในขณะที่ตนเองเล่นน้ำก็จึงได้ใหเอาขายนไปกั้นกันไว้เมื่อเสร็จฐีนี้ได้อาบน้ําเสร็จแล้วก็จึงให้ยกขายนั้นขึ้น ปรากฏว่าได้มีไม้จันแดงท่อนหนึ่งลอยมาติดที่ขายนั้นซึ่งไม้ทันจะจันแดงนี้เป็นไม้ที่มีราคาค่างวดมากเศรษฐีก็คิดว่าเราจะทำอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องไม้จันแดงนี้เพราะเป็นไม้ที่มีราคามากก็คิดว่าสิ่งอย่างอื่นนั้นเราก็มีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องไม้จันแดงแมีราคามากนั้น ก็จึงได้ดำริต่อไปว่าชนทั้งหลายนั้นนะซึ่งชนทั้งหลายซึ่งมีนักบวชเป็นต้นมีนักบวชซึ่งมีปุรณะกัสสปเป็นต้นต่างก็กล่าวอวดตนว่าตนนั้นข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราไม่รู้เลย ว, ว่าใครกันแน่เป็นพระอรหันต์เราควรที่จะให้กลึงปมไม้จันท์แดงนี้เนี่ยทําเป็นบาด แล้วก็แขวนอยู่ที่ปลายไม้ไผ่ต่อกันให้สูงขึ้นไปถึงหกสิบอกถ้าผู้ใดเหาะมาเอาบาทนี้ไปได้เราจะเชื่อแนว่ว่าบุคคล น, นั่นเป็นพระหรันแล้วเรานั้นก็พร้อมกับบุญพัณยานั้นก็จะถึงบุคคลผู้นั้นเป็นสารณะที่พึงตลอดชีวิตไปเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วก็จึงให้ทา ให้หาในช่างมาทำบาทนั้นตามที่ตนเองดําริแล้วก็เห็นล้อมเป่าประกาศว่าแม้ผู้ใดเป็นพระรหันต์ในโลกนี้ผู้นั้นจงเหาะมาถือเอาบาทนี้ไปเราให้เป็นสิทธิครั้งนั้นเองครูทั้งหกซึ่งมีปุรณะกัสสปเป็นต้นจึงได้พูด แกบรรดาเศรษฐีทั้งหลายว่าบาทนี้สงวนแกเราท่านจงให้เราเทิดเศรษฐีก็ไม่ยอมให้กล่าวเหมือนกับดังที่เด็ดประกาศไว้จนกระทั่งล่วงเลยไปแล้วถึงหกวันก็ยังไม่มีใครที่จะห่ อ, อมาเอาบาทได้ท่านถึงในวันที่หกนั่นเองนี่โครทนทนาจะบุตรก็จึงได้ใช้ให้สิ่ของตนเองนั้น ไปว่ากล่าวกระเศรษฐีให้บอกกล่าวเศรษฐีว่าบาทนี้สมควรแก่อาจาร์ของเราท่านจะต้องให้อาจารย์ของเราเนี่ยต้องทำฤทธิ์เหาะมาเอาเธอะเลยจะต้องให้เหาะมาฤทธิ์ได้ทำฤทธิ์เหาะมาเอาเพราะเหตุที่เพียงแต่บาทซึ่งมีละทานน้อยๆยนี่เลยขอให้จงมอบให้อาจารย์ของเราด้วยความเคารพเธอ เศรษฐีก็ยังยืนกลางคำพูดเหมือนก่อนดังนั้นนิครนก็จึงไปด้วยตนเองโดยสั่งสิทธิ์ว่าถ้าเราทำท่ายกมือยกเท้าแล้วท่านก็ทำท่าจะเหาะแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายจงเข้ายุดมือยุดเท้าของเราไว้และพึงกล่าวห้ามว่าชั้นไหนอาจารย์ท่านอาจารย์จึงทำทำนองนี้อย่าได้แสดงอรหันตคุณที่อาจารย์ได้ปกปิดไว เพราะเหตุเพียงบาทไม้จันใบนี้เลยมิบังควรเมื่อสั่งบรรดาสานุสิทธิธเรียบร้อยแล้วก็จึงพร้อมกัด้วยบรรดาสานุสิทธินั้นไปอย่างบ้านของท่านเศรษฐีจึงไปพูดขอบาทเศรษฐีก็ไม่ยอมให้เศรษฐีนั้นก็คงยังยืนกลานคำเดิมนั่นเองว่าทว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้หอกมาเอาบาทนี้ไปเราให้เป็นสิทธิ ดังนั้นนี่ครนทนาธบุตรนี้ก็จึงได้ทําท่ายกมือยกเท้าทําท่าจะเหาะบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปด้วยนั้นก็จึงได้เขายึดมือยึดเท้าไว้แล้วกล่าวห้ามดุดดังที่ได้สัญญากันไว้นี่ครนทนาธบุตรก็จึงได้กล่าวกับเศรษฐีว่าดูกรท่านเศรษฐีเรานั่นจะเหาะขึ้นไปเอาบาดแต่ว่าลูกบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ห้ามไว้เพราะฉะนั้นท่านจงให้บาดแก่เราเถิด เศรษฐีก็ไม่ยอมให้เวลาได้ล่วงมากระทั่งจนในวันที่เจ็ดในตอนเช้าพระมหาพระโมคคาณาเะเถระกับพระปินโดภาละทวาชเถระสององค์นั้นเข้าไปบิทธบาตในกรุงราชครึกได้ยืนห่มจีวร อ, อยู่บนหลังแผ่นศิลาใหญ่แห่งหนึ่ง ก็ได้ยินทักเลงทั้งหลายกล่าวกันว่าครูทั้งหกนั้นกล่าวอวดตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่จนแล้วจนเล่าจนถึงวันที่เจ็ดเข้าวันนี้แล้วใครสักคนที่จะเหาะมาก็ไม่มีพวกเราทั้งหลายรู้กันวันนี้เองว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีในโลกพระมหาโมคลานะนั้น เมื่อได้ยินเห็นั้นแล้วก็จึงได้กล่าวกับพาระตวาชาจึงได้กล่าวกับพระภาระทวชะเถระว่าในนี่แน่ทวพาระทวาชะท่านนะั้นได้ยินคำที่นักเลงนะพูดดูหมิ่นพุทธศาสนาหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านจงเหาะไปนำบาตรเอามาให้ได้เราพูดเป็นเจ้าก็จึงได้เขา้าจจตุทะฌานสมาบัติอันเป็นฐานแห่งอภิญญา กระทำอิทธิฤทธ์เหาะขึ้นไปในอากาศพร้อมทั้งขีบเอาแผ่นศิลาที่ยืนแผ่นศิลาที่ตียืนอยู่ด้วยเหาะเวียนรอบกรุงราชคฤลืแล้วก็เหาะลอยมาอยู่ที่ตรงหลังคาบ้านของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีได้เห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้หมอบลงจนแผ่นอกของตัวเนี่ยจะหลดแผ่นดินแล้วร้องอารัธนาว่า ขอพระคุณเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงลงมาเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระมหาเถระลงมาแล้วก็จึงนิมนต์ให้นั่งและให้บริวารนั้นนำบาตรลงมาจากยอดไม้ไผ่แล้วก็จึงได้นบรรจุด้วยอาหารอันประณีต จ, จนเต็มบาตพระมหาเถระรับแล้วก็ได้บ่ายหน้ากลับพระเวลวันมหาวิหารปรากฏว่าประชาชนทั้งหลาย ได้แห่แวดล้อมพระมหาเถระเป็นอันมากต่างคนได้ต่างขอร้องให้พระเถระพระพาระทวาชะเถระนั้นได้แสดงปฏิหารให้ตนเองได้เห็นอีกซึ่งบางท่านนั้นได้รับต้ฟังข่าวแต่ไม่ได้เห็นก็ขอร้องให้พระเถระนั้นแสดงให้ให้ตนเองได้เห็นด้วยตาอีกปรากฏว่าเสียงแห่งประชาชนได้ลุมรอมพระเถระนี้เอื้ออึงมาจนกระทั่ง ถึงประตูพระเวฬุวันมหาวิหารเสียงแห่งประชาชนนี้ก็ได้ไปต้องพระกันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้ตรัสถามเมื่อทราบความแล้วก็ได้ทรงติเตียนแล้วก็ทรงให้ทําลายบาดไม้กันอันนั้นเสียโดยให้บดเป็นผงทําเป็นยาใส่ตายาหยอดตามอบให้แก่ภิกษุทั้งหลาย และพระองค์ก็ได้บัญญัติสิกขาบทห้ามที่ไม่ให้พระพิสุสาวกทาปฏิหารต่อไปพวกเดรถจฉทั้งหลายทราบความเช่นนั้นแล้วว่าองค์สุเดชปสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พิสุสงกระทาปฏิหารดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงห้ามเช่นนี้ก็คงจะทรงห้ามพระองค์ด้วย ก็จึงได้ประกาศแก่ประชาชนทั้งหลายว่าจะทําปฏิหารแข่งกับพระพุทธองค์การที่เดียร์ถีทั้งหลายได้ประกาศกับประชาชนอย่งนี้ก็ได้ไปต้องการเอาเอาของพระเจ้าอาชาสตรูเข้าพระเจ้าอาชาสตรูได้สดับเหตุเช่นนั้นก็จึงได้ไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จึงได้กราบทูลถามว่าได้ยินว่า พระพุทธองค์นั้นทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพิมิให้ภาษาวกกระทำปฏิหารแต่บัดนี้พวกเดรธีทั้งหลายจะกระทำปฏิหารแก่แข่งกับพระองค์พระองค์จะทำฉันใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสตอบว่ามหาบพิษตถาคตบัญญัติห้ามแต่สาวกแต่จะบัญญัติห้ามตนเองนั้นหามไม่ได้ เขาจะเปรียบเทียบไปแล้วเหมือนกับพระราชานั้นทรงห้ามมิให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งถือเอามะม่วงในพระราชอุทยานแต่ว่าพระราชานั้นไม่ได้ห้ามพระองค์เองที่จะสวยพระม่วงนั้นพระเจ้าชาตตรูก็จึงได้ทูลถามต่อไปอเมื่อพระเจ้าชาตตรูได้ทรงสนับเทนั้นแล้วก็ทรงปลอดปลงพระทยัย แล้วก็จึงได้ทูลถามต่อไปว่าพระองค์นั้นจะกระทําเมื่อใดที่ไหนองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็จะตอบว่ามหาบาพิษแต่นี้ไปอีกสี่เดือนถึงวันอาสาลหะบุญนมีเพนเดือนแปดตถาคตจะกระทําปาฏิหาริย์ที่ใกล้เมืองสาวัตถีพระบรมศาสดานั้น ได้เสด็จไปบินทบาทในเมืองราชคลึแล้วก็ได้เสด็จออกจากกรุงเมืองรกรุงราชคลึนั้นเสด็จพุทธดำเนินไปสู่เมืองสาวัตถีโดยลำดับพวกเดียร์ีทั้งหลายก็ได้ติดตามเรื่อยไปโดยประกาศแก่ประชาชนทั้งหลายว่าองค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะหนีการกระทําปาฏิหาริย์หรือว่ากลัวพวกตนเองทั้งหลายก็จะหนีหลบไปเพราะฉะนั้นจึงได้ติดตามมาเพื่อกันไม่ให้พระองค์นี้ได้หนีดังนั้นพวกเดลัีทั้งหลายก็ได้ติดตามพระพุทธองค์พร้อมด้วยบริวารข้งตนเองนั้นมาจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีมาถึงเมืองสาวัตถี พวกเดลัถีนั้นก็จึงได้ชักชวนอุปถาของตอนเองนั้นเลี้ยลายทรัพย์กันได้ถึงแสงกระหาปณะนะแล้วก็จึงให้จัดสร้างมณฑบและก็ได้บอกแก่ประชาชนทั้งหลายว่าจะทำปฏิหารในมณฑบ น, นี้ลำดับนั้นพระเจ้าเป ร, เรษเสที่โกศลพระองค์ได้ทรงทราบขึ้นว่าองค์สุเดะพะสมมาสมุติเจ้าจะทรงสแสดงปฏิหารณนะที่กรุงสวัสนี้ ก็จึงจะสร้างบนดกถวายพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามเสียพระพองค์ก็ทรงห้ามเสียไม่ให้สร้างพระเจ้าเปรเษที่โกศลก็จึงในทูลถามว่าพระองค์จะทรงกระทำที่ไหนก็จึงได้ตรัสตอบว่าจะกระทำที่ใกล้ต้นมะม่วงพวเดียรถีทั้งหลายได้ทราบความเช่นนั้นก็จึงสั่งให้สิทธิของตนเองนั้นตัดต้นมะม่วงทั้งหมด ภายในบริเวณนั้นประมาณหนึ่งยอดโดยรอบไม่ให้เหลือเลยแม้แต่ต้นเดียวแม้จะเป็นมะม่วงซึ่งจะขึ้นในวันนั้นก็ตามท่านถึงวันเพ็ญเดือนแปดตอนเช้าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้เสด็จมาประทับอยู่ที่หน้าพระคันธกุดี ที่เมืองอที่พระเชตวันมหาวิหารนั่นเองเมื่อองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาประทับแล้วในขณะนั้นปรากฏว่าเป็นถึงระยะการที่พระองค์จะเสด็จออกบิณฑบาตก็จึงได้ พร้อมกับท่านพระอานน์และพิสุท์ทั้งหลายเสด็จเข้าไปบินทบาทเข้าไปบิณทบาทณนะกรุงสาวัตถีในขณะที่กำลังเสด็จมานั้นก็ได้สวนทางกับนายคันทะคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเฝ้าพร ะ, ระอุทยานซึ่งนายคันทะนี้เห็นมะม่วงสุขผลใหญ่ผลหนึ่งก็จึงได้สอยเอามาหวังจะนำไปถวายพระราชา แต่มาพบพระองค์เข้าในระหว่างทางนั้นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็จึงเด่นน้อมนำเข้าไปถวายพระองค์ทรงรับแล้วก็ทรงประทับนั่งท่านพระอโณมก็จึงพระอ น, นก็จึงได้ทำมะม่วงสุกนั้นให้เป็นน้ำอัมพบาลคือน้ำคือเป็นน้มามะม่วงที่จะถวายให้ทรงเสวยพระองค์ก็ได้ทรงเสวยมะม่วงนั้นน้ำมะม่วงนั้นแล้วก็ทรงสั่งให้ในคันทะนั้นคุยดินขึ้น แล้วก็ให้เอ า, มาเมล็ดนั้นเพาะในคันทะก็ทำตามในคันทะนั้นจริงทาตามแล้วพระองค์ก็เดชทรงล้างพระหัต์ลดลงไปที่มเมล็ดมะม่วงนั้นในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าเกิดเป็นต้นมะม่วงสูงได้ถึงห้าสิบสองและก็มีเก่งกา้านสาขาแตกออกไปสี่ทิศและก็ในทิศแห่งเบื้องบน ต้นมะม่วงต้นนี้ก็จึงได้ชื่อว่าคันธามะพลึกคันธามะพึกก็เพราะว่าต้นมะม่วงต้นนี้เป็นต้นมะม่วงที่ในคันทะนี้เป็นคนปลูกเมื่อพระองค์ได้ทรงฉันอาเมื่อพระองค์ได้บิทบาทกลับเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้บ่ายหน้ากลับพระเชตวันมหาวิหาร ในเวลาบ่ายวันนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุเทธเจ้าทรงดำรีว่าเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะกระทาปาฏิหารได้แล้วพระองค์ก็จึงได้เสด็จออกมาอย่างหน้ามุก ค, คือหน้าพระคันธกุลดีในขณะนั้นก็ได้มีพระอา ญ, ญาบุคคลผู้มีฤทธิ์หลายท่านมาขออาสาในการที่จะแสดงปาฏิหารแทนพระองค์ก็คือมี นางครณีนันทมันดาคือผู้เป็นมันดาของนันทะผู้เป็นพระอนาคามีอุบาสิกาคือเป็นอุบาสิกาที่สําเร็จเป็นพระอนาคามีในจุณไนจุลลอนาคในจุลอนาคอนาคาินติกะขรห บ, บดีผู้นี้ก็เป็นพระอนาคามีเหมือนกันเป็นอุบาสกกีละสมเนลี คือสมณีรีคือเนนผู้หญิงนั้นก็มีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นผู้นี้ก็เป็นพระอรหันต์ะผู้นี้เป็นพระอรหันต์และก็จันทสมณีนก็มีอายุเพียงเจ็ดขวบเช่นเดียวกันเป็นพระขีนาสก พ, พระนางอุบลรวรรณนาเทรีผู้สาเร็จอรหัตผลและพระมหาโมคคลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายตลอดจนกระทั่งพระสาวกอื่นๆ ต่างก็มากราบทูลอ า, าสาแสดงปาฏิหาริย์แด่พระพุทธองค์เช่นทางนั้นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงห้ามเสียโดยพระองค์ตรัสว่ามิใช่วิสัยของสาวกแต่ว่าการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งนี้เป็นวิสัยของพุทธสาวอเป็นวิสัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่าเป็นพุทธวิสัย และองค์สุดเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ได้ได้เข้าสู่จจตุทะชานสมาบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิญญาเขาะขึ้นไปในอากาศ <c oughs> สเสด็จจงกลมไปมาด้วยด้วยปฐวีกระสินบริกรรมคือสเสด็จจงกลมนั้นในอากาศอธิษฐานที่จงกลมสเสด็จ จงกรมคือกลับไปกลับมาโดยอำนาจแห่งการบริกรรมปฐวีกสินและพระองค์ก็ได้ทรงเนลมิตรพระพุทธนิมิตโดยที่พระองค์นั้นเสด็จจงกลมแต่พระพุทธนิมิตนั้นแสดงอาการใส่ยาสแสดงอาการใส่ยาสแล้วก็พระพุทธองค์นั้นทรงตรัสถามปัญหา เป็นผู้ตัดถามปัญหาและพระพุทธนิมิตนั้นก็ทรงวิสัชนาเป็นต้นและก็เด้เด็จลงจากอากาศประทับนั่งรัตนบัลลังก์อันปรากฏอยู่บนยอดมะม่วงคือยอดมะม่วงที่ในคันธามมพึคันธามะพลึกตันเองท้ำกลางบริษัททั้งสี่และพระองค์ก็ได้ทำ ยมกปฏิหารหลายประการดดวยกันเช่นทรงเยียดพระหัตถ์ลูกคลมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และก็แสดงแผลงฤทธิต์ต่างๆมากมายกระทำให้ท่อไฟและท่อน้ำนันพุ่งออกแถวพละกายส่วนต่างๆเป็นคู่ๆกันและสมีแห่งพระจัพพานลังสีก็พุ่งออกสลับกันเป็นคู่ๆ ขั้นแล้วองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้เทศนาโปรดแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่มาทั้งสี่ทิศโดยโปรดประทานพระธรรมเทศนาโดยสมควรแก่อัธยาศาัยแห่งเวเนยสัต์เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เกิดมีขึ้นแก่เหล่าสัตว์ประมาณถึงแปดสิบสี่กฎด้วยกัน นากลางครั้งนั้นเองเดลถีทั้งหลายอันมีครูทั้งหกเป็นต้นเป็นหัวหน้านั้นก็หลีกหนีไปด้วยกลัวพุท ธ, ธานุภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านั้นได้แสดงอิทธิปฏิหารหรือว่ายมกปฏิหารนี้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เรียกว่าตรงกับวันอาสาละหะ อาสารหามาต้นหน้าที่ใกล้แห่งประตูพระนครกรุงสาวัตถีพันษาแอมพันษาแอบซึ่งพันษานั้นจะเป็นพันษาที่เจ็ดของพระพุทธองค์ดังนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้ทรงดำริว่า พุทธประเพณีแห่งพระพุทธเจ้าในอดีตการนั้นเมื่อทรรมยมกบปฏิหารแล้วจะเสด็จจำพรรษานที่ใดเมื่อทรงพิจารณาแล้วด้วยอตีตังสยานก็เห็นประจักษ์ว่าจะเสด็จจำพรรษาในดาวดึงสภิพภพแล้วก็ตรัสแสดงอภิธรรมอภิโดกทั้งเจ็ดประการในภายในไตรมาสนั้น เพื่อกระทำการสนองพระคุณของพระพุทธบิดของพระพุทธมารดาอีกประการหนึ่งความปรารถนาอันใดที่พระชนนีตั้งไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสมมาสมพุทธเจ้าว่าขอให้นางได้เป็นพระมารดาของพระบรมครูเห็นปานดังพระพุทธองค์ความปรารถนาของอันนั้นก็จะสาเร็จสมประสงค์ และพระชลนีนี้มีพระคุณแก่สถาคตเป็นอันมากยากนักที่จะได้ตอบสนองพระคุณของพระมารดาเมื่อพระองค์ได้จินตนาเช่นนี้แล้วก็จึงได้เสด็จลุกจากรัตนบัลลัง์ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสพิภพก็ได้ประทับนั่งอยู่เหนือกรมพลศิลาอาจภายใต้ต้นปาริชาต อันเป็นธงแห่งดาวดึงเทวโลกนั่นเองในเวลานั้นท้าวสหัสนายเทวราชเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็จึงได้ประกาศให้ทวยเทพทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จขึ้นมาประทับอยู่ที่แท่นกำพลศิลาอาจแล้วเทพเจ้าทั้งหลายตระดดหมื่นจักรวาลนั้นก็ได้ถือทิพมาลาสกาละ มาสโมสรสันติบัติถวายนมาส ก, การองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประทับนั่งอยู่โดยรอบพระพุทธองค์องค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ทรงเล็งแลดูแล้วไม่เห็นพุทธมารดาก็จึงได้ตรัสถามเท้าสกัลินเทวราชว่าพระพุทธมารดานั้นประทับอยู่ณที่ไหน เท้าเทวราชนั้นก็จึงได้เสด็จไปตามพระสิริมหามายาเทพบุตรณดุสิตวิพ ค, คือพระพุทธมารดานั้นได้ไปกำเนิดในชั้นดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตเมื่อพระพุทธมารดานั้นได้สะดับ ก็ทรงปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งก็จึงได้เสด็จมายัางท่าชันดาวดึงสภิพนั่นเองมาสู่สมณกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายนมรดการและกระเบื้องนั่งอยู่นเบื้องขวาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พรางก็จึงได้ดมฤติว่าอาตมานี้มีบุญยิ่งนะักมีเสียทีที่อาตมาอุ้มท้องมาได้พระโอรสอันประเสริฐเห็นบ่านนี้ <c oughs> ส่วนสมเด็จองส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีพระทัยที่จะสนองคุณพระมารดาก็จึงได้ทรงพิจารณาว่าพระคุณของพระมารดาที่ทําไว้แก่ตถาคตนี้ยิ่งใหญ่นะสุดที่จะคนานับได้กว้างหนาและลึกซึ่งเห็นซึ่งปานใดและทําอันไรเล่าจึงจะสมควรที่จะทดแทนพระคุณของพระมารดาได้พระวินัยยปิดก และพระสุตันตวิฎกก็ยังน้อยนะักมิเท่าคุณแห่งพระมารดาเลยเห็นควรอยู่แต่พระอภิธรรมวิฎกเท่า น, นั้นที่พอจะยกขึ้นอ่าช่างพอให้เท่ากันได้ดําหลีเช่นนี้แล้วพระองค์นั้นก็ทรงกวักพระหัต์เรียวพระพุทธมารดาว่าดูกระชนนีมานี่เถิดตถาคตจะใช้แทนข้าน้ำนม และข่าคาป่อนของมันดานอันเลี้ยงสถาคตมาแต่อนเนกชาติในอดีตพแล้วก็ทรงตรัสอภิธรรมปิโดกเจกคำพีให้สมควรแก่บัญญาบา ร, รมีมีสธรรมสังคินีวิพังทาตุกถาปุขระปัญญัติกถาบุตุยมกและมหาประธาน การเมื่อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแสดงอภิธรรมบิโดกเจ็ดคำพีนิจจบลงปรากฏว่าพระนาง อ, าองค์พระสิริมหามายาเทวีเทพบุตบุพุทธบิดาพุทธมารดานั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลประกอบไปด้วยในหนึ่งพันบริบูรณ แล้วก็ธรรมาพิสมัยนี้ได้เกิดขึ้นแก่ทวยเทพเท ว, วดาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นองค์สุเดชพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านั้นในพรรษาที่เจ็ดนี้เองพระองค์ก็ได้เสด็จจำพรรษาอยู่ที่ชั้นดาวดึงนี้โดยการแสดงพระอภิธรรมาพิโดกตลอดไตรามาสโปรดพุทธบิดาโปรดพุทธมารดา เอาและท่านสาธุชนพุทธบริษัทและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านขอเจริญพร